วันนี้ก็จะมีเคสตัดิเรื่องนี้ก็ส่งมาจากอเมริกานิวเจอร์ซีท่านไม่อยากให้อ่านชื่อทั้งคนพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้ผู้ที่ส่งมาคือคุณแม่อยากจะรู้เรื่องราวของคุณลูกซึ่งตอนนี้อายุ22ปีโดยเริ่มเรื่องว่า ลูกชายเนี่ยตอนเกิดมาใหม่ๆว้เด็กเริ่มหัดพูดแต่พอยุไดห้หนึ่งขวบกว่าไม่ยอมพูดพ่อก็บอกว่าอาจจะเกิดจากลูกลองให้แล้วพ่อกับแม่กระดุเพราะถูกดุก็เลยไม่กล้าพูดนี่คือข้อสันนิษฐานของพ่อนะรหรืออาจจะเป็นเพราะมีน้องสาวแล้วไปสนใจเขาเขาก็เลยไม่ยอมพูด นี่พ่อสนนิษฐานเวลาพูดด้วยเขาไม่ตอบรับเลยแต่ว่าดูเหมือนจะรู้เรื่องจะเอาอะไรก็ชี้เอาเพราะอายุได้สามขวบพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ามิ่นมินนี่เราฟังดูแล้วเอ๊ะมันมิ่นเมร์แล้วมินใครเนี่ยครับแล้วเริ่มพูดบ้านแต่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดกลับหัวกลับหางพูดกลับกันครับ ไม่รู้แบบคำพวนหรือเปล่าคุณรู้ยังไม่ค่อยเข้าใจ ค, คำพวนกลับกันเหมือนกรอนของกวีท่านหนึ่งเนี่ยไม่รู้กลับแบบเดียวกันหรือเปล่าโฟกตนมีชะค่าไหมหรูหมบตะเลนเช่นหมูท่านบั ว, ว, วเค ล, ลนคู่เคลน ล, ลายเหย ว, ว, วดอ้อนเหลือดแปนทั้งควายไหยล้ลาเลืองมง พูดกลับไปกลับมานะฟังแล้วเหมือนภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าแปลกลับมาเป็นภาษาไทยคือกลับเอาตรงหามาเป็นหัวเอาหัวเป็นหางกลับเป็นปกติเมื่อกี้พูดกลับหัวกับหางเป็นนี้กลับหางกับหัวฝนตกมาชะขี้หมูไหลเหม็นตลบชูเหม็นทั่วบ้านคนเลวคู่คนเลวเลวใหญ่ Oh. เดือดร้อนไปทั้งแคว้นหาไลา่ลงเมือง oh. อ <laughs> แม่ <laughs> เข้าใจแต่งเลือเกอินเล ย, เ, ย <laughs> เข้าใจถนะ้าฝกตนมีชะค้าไมหมหรูนี่ยตองดี <laughs> ก็เลยพาไปหาคุณหมอ <laughs> คุณหมอตรวจสมองแล้วก็ให้ไปโรงเรียนเฉพาะต่อมาก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังแพ้ ง, ง่ายตั้งแต่เด็กๆเ <laughs> มื่อหปีที่แล้วมีอาการแพ้ที่ผิวหนังมาก ช่วงนี้ดีขึ้นบ้างาปีที่แล้วเน่ยลูกชายตั้งใจจะอบรมธรมธรมทาตยาและบวชในที่วัดภาวนานิวเจอร์ซีย์เออผู้ไม่รู้เรื่องแล้วบวชยังไงเนอะมันก็ยังงงงงนังแต่หลังจากกลับมาจากเมืองจีนกับคุณพ่อเขาก็เปลี่ยนไปไปนับถือเจอแมกและไม่ยอมบวช ไม่ยอมนั่งสมาธิพ่อพยายามหัดให้เขาทำงานนอกบ้านแต่เขาทำไม่ได้เขาไม่มีเพื่อนอยู่กับบ้านก็ช่วยดูแลทำความสะอาดบ้านบ้างแต่ชอบดูข่าวการเมืองมากออรู้เรื่องหมดออตอนนี้พูดได้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นบางครั้งก็ดูเหมือนเขาจะฉลาดจินียสมากแต่เขาก็มีชีวิตไม่เหมือนคนอื่น คุณแม่ก็เลยฝากกลาบข้อความเมตตาจากครูเมื่ใหญ่ว่าลูกชายทำบุพกรรมอะไ ร, รจรึงได้เป็นเช่นนี้และจะต้องแก้ไขหรือทำบุญโดยวิธีอย่างไรบ้างเจ้าคะคถึงจะดีขึ้นหรือหายก็เรามาลุยกันเลยพูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนสามโคพูดว่า มินมินกระไมนมินเห็นเขียนแบบนี้นะรแล้วก็ไปพูดอีกเลยกระก็ต้องฝันในฝันครบไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มินมินเนี่ยคือพยายามจะพูดคำว่าแม่มอมมอมแม่กระมามามามามี่ แม่เลยแต่ไม่ชัดมินมินอืมรแล้วก็พูกกลับไปกลับมาแล้วจับเนื้อความได้ไหมจ๊ะกลับไปกลับมามอะไรต่างๆก็มาจากเศษกรรมสุราของลูกในอดีตชาติและก็กรรมขายสุราอาหารของพ่อและแม่ในปัจจุบันดึงดูดลูกมาเกิดร่วมกันนี่เป็นเศษแล้ว ตอนเป็นส่วนนะ่ยใช้ที่ยมมนโลกแต่ว่าใช้ไม่มากอะไรไม่นานแค่ห้าร้อยปีมนุษย์มนุษย์นะมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้เพราะเหตุใดปกติกรรมของสุราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นบ้าเป็นใบ้ปัญญาอ่อนเบรอมึงซึมเศร้ามึงพิการทางสมองแบบต่างๆอันนี้จะเป็นกรรมของ สุราเศษกรรมสุรานะ่คือชาตในอดีตนั้นนะเคยเกิดเป็นขุนนางจีนแล้วก็แต่จิตใจดีใจงามสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปกครองการบ้านการเมืองชอบช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ แล้วก็มีความกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ในเป็นพื้นฐานความดีแต่ก็ชอบดื่มสุราแต่ก็ไม่ใช่ดื่มแบบวรา น, น้ำดื่มแบบกลุ่มกลุ่มมึนมึนทุมทุมคลุ้มอกกลุ้มใจบางทีก็เลยไปนิดนิดเลยมึนไปบ้างเขามีเป็นบางครั้งก็เมาเงิน กลุ้มๆในใครๆกลุ้มๆมั่งอ่าและกลุ่มนะลูกนะกลุ่มๆเป็นอาจินโอแต่ก็ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนคนี่นี่นี่เห็นไหมเงินของเราอะไรของเราเ่าของเราเนี่ยกลุ่มกล่มมื่นๆกลึ้มอกกลุ้มใจกล่อมประสาทให้หลับสบายมั่ง นี่ให้สบายออกสบายใจแต่ก็ไปทำอะไรเดือดร้อนเป็นอาจินไอ้ตรงนี้แหละมันไปใช้เห็นตอนใกล้จะละโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปโยมโลกทต่จริงต้องไปเลยกว่านั้นแต่บุญที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และจิตใจงามชอบช่วยเหลือคนใจงามใจดีใจดี แล้วก็ที่สนใจการเมืองอะไรก็มีความคิดคว่าจะเอาการเมืองหรืออำนาจที่ตัวมีอยู่นั่นแหะมาบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่ประชาชนเวราะนั้นนิสัยกล่าว็เลยติดมาติดมาตอนเป็นคุณนางจีนนั่นแหละสนใจเรื่องการบ้านการเมืองพอเห็นเอ๊ะคุ ณ, คณ ถึงจะทึมๆด้ว ย, อยไอเรื่องนี้รู้สึกเราจะแตกฉานอาอย่างนี้นี่คุนานางจีนเก่าแล้วก็บุญในเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อกับแม่ก็เลยเลี้ยงดูลูกด้วยนอกจากด้วยความรักเพราะเป็นลูกก็ยังด้วยบุญของลูกที่ทำให้พ่อกับแม่รักแล้วก็ก็ได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาในยุคนั้นแต่เป็นพุทธศาสนาแบบจีน ก็ได้สร้างราวรวัตถุด้วยก็เลี้ยงคนยากคนจนอะไรไปตามภาษานั่นแหละแล้วก็เคยเจอกับหมู่คณะนะเมื่อหลายกลับที่ผ่านมาจึงมามีเชื้อเจอหมู่คณะและเพราะว่าทำบุญในพุทธศาสนาแม่แบบจีนอย่างนั้นจึงได้มาเกิดในครอบครัวของพระพุทธศาสนา ที่มีศาสนาพุทธอยู่ในใจนี่เขาฉลาดในทางโลกทําเป็นขุนนางจีนแต่ไม่ฉลาดในทางธรรมฉลาดทางโลกคือรู้วิธีการปกครองจะอะไรยังไงะรา ล, ลงการปกครองงั้นแล้วก็ลุยกันตะบันหาแหลกเลยแะจริงจริงมีอีกหลายๆกรร ม, มนะแต่ว่ากรรมนี้มาส่งก่อน นี่เสร็จแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วนะเพราะบุญนั้นจริงไม่เลยไปนะไปอยู่โยมโลกทีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ทำบุญในพุทธศาสนาแบบจีนดังนั้นเวลาไปเมืองจีนกลับมาจึงชอบอ่ามีเชื้อสายเก่าก็ชอบแบบพุทธศาสนาแบบจีนจีนอย่างเงี้ยแล้กดีเพื่อเงิน แต่ก็อยู่ในอเมริกาเออแปลกทีนี้ทำไมผิวหนังแพ้ง่ายใกล้าชาตันดิบเหมือนกันแหละตอนเป็นวัยรุ่นไม่โทรกับพื้นเลยแกล้งเอาหมามุ่ยใส่เสื้อให้คันให้ทำไปเล่นไหนใครเคยเอาอสัยมั่ง <c oughs> นายพระไตไปิกเลยยังมีเลยนะ <c oughs> <c oughs> มีไม่ลูกมีไหม <c oughs> มีครับหนวงพ่อครับมีเห็นไหม ะอะไรเล่าให้ฟังดิจ๊ะ <c oughs> เราเยาะๆยาะครับอดิตชาติของพระนางโรฮินีครับเคยเป็นครมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งครับก็เห็นว่าพระราชาเนี่ยโปรดปรานนางฟ้อนรำคนหนึ่งมากก็รู้สึกอิจฉาก็เลยเอาผงหมามมยเนี่ยไปโรยที่ที่นอนแล้วก็โรยที่ตัวด้วย จนคันไปหมดแล้วก็ไปที่ที่นอนไปนอนที่นอนก็คันหนักเข้าไปอีกธรรมาชาตินี้ก็เลยเป็นโรคผิวหนังคันทั้งตัวเลยครับเป็นตุ่มคันครับแล้วตอหลังหายไหมเจ้าตอนหลังพระพี่ชายแนะนําให้สร้างหอฉันอในลูกพูดดังๆอีกทีสิพระพี่ชายแนะนําให้สร้างหอฉันครับอแล้วหายไหมเจ้า ก็หายครับสร้างหอฉันแล้วก็ปณิบัติพระคอยตั้งน้ำฉันน้ำใช้คอยถวายพระตาหารดูแลปัดกวาดหอฉันทุกวันทั้งสองชัน้นชั้นบนชั้นล่างดูแลหมดก็ช่วงหลังก็หายผิวหาจากาาาจาการเป็นโรคผิวหนังครับหายจากโรคผิวหนังอา้อาวเห็นไหมนี่ได้ยินแล้วนะลูกนะที่อยู่นิวเจอร์ซีสร้างหอฉัน นี่เฉพาะโรคผิวหนังนะจะสร้างหอฉันมาสร้างแล้วก็มาปลนในบัติพระด้วยครับคอยดูแลที่นี่จุดที่นิวเจอร์ซีย์มันมีการช่างหอฉันก็เอาพัฒหารไปถวายท่านแล้วก็ไปคอยดูแลอะไรต่างๆครับพระที่อยู่นิวเจอร์ซียพระอาจารย์อยู่ที่นั่นนแหละมาภาวนาใ น, นิวเจอร์ซียหายโรคผิวหนังแต่อโรคนั้นน่ะ มันไม่หายนะลุกนะแต่จะบรรเทาเบาบางครอบครัวต้องไม่ขายเหล้าขายอาหารได้แต่ว่าอย่ามีเหล้ามีวายมีเครื่องดองของเมาแล้วก็ต้องทำบุญทุกๆบุญเท่าที่จะทำได้ในการติฐานจิตให้ดีๆก็จะบรรเทาเบาบางเอาแต่กระชาตินี้ก็เป็นชาสุดท้ายแล้วถ้าตั้งใจนั่งสมาธิจเจริญภาวนาแล้วก็พบชาติต่อไปก็สบายนะจ๊ะ เพราะนั้นพบชาติปานมาทานดีศีลไม่ดีภาวนาธรรมบ้างแต่ไม่มากนักเพราะนั้นเศษกรรมสุราตอนนี้ยังบดบังอยู่เยอะอทำให้การทำงานของสมองเนี่ยได้ลงไปกว่าคนปกติก็คงพอจะเข้าใจกันนะเจ้านี่เข้าใจไหมเข้าใจครับคำว่ามินมินนั่นแหล ะ, ะคำว่าญาตเรียกแม่ตามภาษา ตรงนั้นน่ะนะมินมินแล้วก็เคยเกิดเป็นขุนนางจรีนสนใจการปกครองบ้านเมืองที่จะเฉยบำบัดทุกบำรงสุขเคยเกิดขึ้นกับประชาชนแต่ก็ชอบดื่มน้ําเมากลุ่มกลุ่มกลุ่มจะไม่ถึงหัวราน้ําแต่ทั้งนานทีก็เลยกลุ่มอืมแต่ทําเป็นอาจินว่วก็ชีวิตก็ทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาแบบจีนเนี่ยชอบช่วยเหลือคน จึงไปยมโลกไปนานแล้วก็เอาเลี้ยงดูบิดามารดานด้วยจึงไปยมโลกแค่ห้าร้อยปีไปถูกกรอกน้ำโลหะไปกรึบกรึบกลุ่มๆเหมือนนั้นเพลิน